รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวักสุราปานวักมีสิสิกขาบทคือ 1. สุราปานาสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรยัยสอังคริปปะโตทกะาสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน 3. หัสสะธรรมะสิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำสี 4. อนาทริยาสิกขาบทว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน 5. พิงสาปานาสิกขาบทว่าด้วยการทําให้ตกใจ 6. โชติกาศิกขาบทว่าด้วยการก่อไฟพิง 7. จนหาณสิกขาบทว่าด้วยการส่งน้ํานอกสมัย 8. ทุพันนกรณะสิกขาบทว่าด้วยการทําจีวรใหม่ให้เสียสี 9. วิกัปปานสิกขาบทว่าด้วยการวิกัปจีวร 10. จีวระอปนิทานาสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนจีวร